กอนโมทนาสาธุการละท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะได้นำอักขปสาสูตรในจจตุการนิบาตททังคุตรนิกายมาแสดงพระสูตรนี้เป็นพระสูตรที่เกิดขึ้นด้วยอัยาศัยของพระพุทธเจ้าคือมีพระประสงค์จะแสดงเองเพื่อเป็นการเพิ่มพูน ความเชื่อความเลื่อมใสแก่ผู้ฟังสามารถที่จะน้อมนําคุณสมบัติเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติจนได้บรรลุผลในระดับต่างๆจนถึงผลสุดยอดประสูตินั้นได้ชื่อว่าอาคักขภาษาัสสูตแรแปลว่าประสูติที่ว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิอจะช่วยให้ได้สิ่งที่เลอ พูดตั้งส่วนเหตุส่วนผลส่วนเหตุก็คือจิตที่เริ่อมใสในสิ่งที่เดินส่วนผลคือผู้ที่มีจิตเริ่อมใสนั้นจะได้สิ่งที่เดินท่านทั้งหลายคงเคยได้ยินคําอนุโมทนาที่พระอนุโมทนาเวลา มีตาบุญนุกสลต่างๆนะฮะอักกัตโตเวปรสานานังอังกังทำมังชานตังแต่ที่จริงก็เทศไปนแนแวนี้เป็นการแสดงถึงเหตุผลคล้ายๆกับเชียนโตนะฮะที่จริงก็เป็นการเทศการแสดงศัจธรรมแต่ก็ทำไปต่อมาก็ค่อนข้างขรั ง, ง, งเวลาพระเริ่มเจียนโตโยมก็ หลมองรับน้ำมนต์พระก็พุ่น้ำมนต์ก็จบแต่จริงแล้วไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่เป็นเป็นการวงสรวงอ่อนบอนก็เพียงแต่เล่า ว, ว่าพระเจ้านั้นได้จรัสรู้อนุตตรสมาสัมปุท т ิญาณภายใต้ต้นโพและก็เล่าไปตอนตรัสรูต้ต่อมาก็พูดว่าเรกษ์ปียามดีขณะ ด, ดีครูดียุติการกระทาดีแต่ทนทำดีตอนเช้า ตอนเช้าท่านก็ดีทำดีตอนเที่ยงตอนเที่ยงท่ก็ดีทำดีตอนเย็นตอนเย็นก็ดีแต่ถ้ออาว่าทำดีให้เป็นหลักตนันวิเยกเรียกว่าตะกินะก็คือเบื้องขวามันเป็นจำนวนจำนวนโบราณนะั่นะคือขวาเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องสำคัญหมายความว่าทำให้เป็นหลักเป็นพื้นฐานใจเรือกดียามดีขณะ ด, ดีตลอด เราทำดีตลอดมันก็เริก ม, มาดีตลอดเจะเห็นว่านั่นก็เป็นการเทศการสอนธรรมะการอธิบายธรรมะแต่ว่าเราก็มาใช้ในแนวขังคือยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าเอาตรงไหนมาขังอ่แล้วอ่านอีกยังนึกไม่ไออกต้องลังได้ยังไงและนี้ก็คือเป็นเรื่องที่เรายึดถือนะฮะสืบต่อกันมาในแนวอุปาทานคือไปยึดขึ้นมันก็กลายเป็นขังไมาาศ่ศักดิสิได้ พระสูตรนี้ก็มีลักษณะอย่างนั้นเป็นการแสดงถึงแนวการประพฤติปฏิบัติาถ้าสามารถทาจิตใจเรื่อมใสในวัตถุในบุคคลที่เลิ่ไดนะ้แล้วปฏิบัติตนไปด้วยนะฮะจะได้ผลที่เลิ่อนโการพูดคล้ายๆกับหวานพืชชนิดใดได้ผลชนิ ด, ดนั้นกันนะเราจะเห็นว่าในช่วงปลูกพืชกับช่วงได้รับผลของพืชจริงๆมันก็ห่างกัน ต้มีช่วงดูแลบำรุงรักษาในการรอคอยการตกแต่งการกระจัดวัชพืชอะไรแต่ไหอีกแย่กว่าจะรับผลของพืชและทรงแสดงถึงจิงตที่เลื่อมใสครั้งแรกก็คือว่าสัตว์จะ ก, กี่เท้าก็ตามนะจะมากเท้าสองเท้าไม่มีเท้าสัตว์ที่เลื่อยไปด้วยอกสัตว์ที่อยู่ในน้าอะไรต่ไหก็ว่าสัตว์ทุกชนิดพึ่งแง่สั พระตถาคตเจ้าเนี here, own, own, ่ยเป็นเลิศพระาณัสมมาธิพระพุทธเจ้านี่เป็นเลิศได้โปรดเข้าใจตรงนี้ไม่ได้พูดเฉพาะพระองค์นะไม่ได้พูดเฉพาะพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นก็คือพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นผู้เลิศประเสริฐสูงสุดกว่าคนและเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในสามเรื่องใหญ่ๆเรื่องปัญญาเนี่เลิศกว่าในด้านปัญญาเลิศกว่าในด้านบริสุทธิ์เลิศกว่าในด้านความกรุดูา ไม่จะเลิศกว่าทุกเรื่องนะฮะือถ้าบางเรื่องเนี่ยคนอื่นก็เลิศกว่าเนี่ยประการร่ารวยด้วยอัติเดกกันลาบมีคนห้อมล้อมมากไปไหนมาไหนเนี่ยประสีวลีก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าแล้วพวกเด็กชอบไปไหนไปไหนเด็กชอบมากพระมาทตปะก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้า ด้วยสันโดษด้วยจีวรด้วยอาหารด้วยที่อยู่อาศัยด้วยยาแก้ไขมีภาษาบกบางรูปก็เก่งกว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้าทรงแสดงเองนะฮะว่าถ้าจะนับถือพระองค์องค์นั้นเนี่ยภาษาวกของพระองค์พระองค์เก่งกว่าแต่ว่าถ้าสามเรื่องนี้แล้วเนี่ยพระเจ้าเหนือกว่าเพราะการทําใจเรื่องใสในพระพุทธเจ้าทีนี้ไอ้คำมาเรื่มใส บาลีใช้คำว่าปัสาทะแต่เวลาเราได้ยินเวลาเทศเวลาอะไรเนี่ยจะควบกันสองคำศรัท ธ, ธาปัสาทะแปลความเชื่อความเรื่อมใสหมายความยังไงหมายความว่าศรัทธาที่เกิดขึ้นนั้นความเรื่อมใสก็คือความพองใสที่เกิดขึ้นไปยในใจแต่ใจเรามีสิ่งที่กูดมัวเศร้าหมอง สิ่งที่คุณมัวข้ามองซ้มองเป็นอุปสรรคของความเริ่มใสก่ก็คือก็คือความความไม่เชื่อก็คล้คยๆกันสนิมใจที่ตกค้างอยู่ภายในใจของท่านอุปการชีวกตั้งแต่พบพระพุทธเจ้าเป็นคนแรกมันน่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือไปบ้า ง, งนะแต่ท่านก็ไม่แน่ใจคือไม่ได้เชื่อปักลงไปจริงๆก็เพียงได้รับฟังไว้แล้วสูญเสียเวลาไปตั้ง ยี่สิบกว่าปีนะฮะกว่าจะมาฟังเทศได้มันตกค้างยค่นิดเดียวก็ที่ความไม่มั่นใจคือศรัทธายังมีมนทินก็คือความไม่น้อมใจเชื่อจุดนี้ก็ทำให้จิตมันซ่อมหมองไปแล้วก็ให้เกิดอาการชงักงนันค้างตึงอยู่ยนั่นไปไม่ได้ เมื่อเราโดยสรุปจริงๆก็คือกิเลสนะแต่ว่าสายนี้ก็คือสายสายประการต่อไปก็คือเครื่องแปร่งสงสัยมันก็เชื่อไปพอสมควรจะมีบางจุดบางประเด็นเราสงสัยเราจะพะบว่านในส่วนพระคุณของรพระพุทธเจ้านั้นมีบางข้อที่คนปัจจุบันก็ยังสงสัยทรงรู้โลกอย่แจ่มแจ้งจริงหรือ ทรงสัจจะรู้จริงหรือเลยเถิดไปจนถึงว่ามีอยู่จริงหรือพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงหรืออย่างนี้จะตายแน่เลยไปไม่ได้ตรงเนี้ยมันก็กลายเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความไม่ผองใสภายในใจวิจิกิสามันก็ลักษณะอย่างนั้นคือไปไม่ได้เหมือนกันเลยประการหนึ่งก็คือ ความเห็นแก่ตัวคือให้ความสำคัญแก่ตัวใกล้ๆกับท่านท่านท่านสันใจปริพาชชก ค, คือเราเห็นว่าท่านสันใจบริพาโชกนี่ท่านท่านเชื่อนะฮะว่ารู้แต่เจ้าศาสนาแล้วก็เชื่อพระเจ้ า, าสลาดแต่ท่านก็หนึ่งในตองอูเหมือนกันนะฮะหนึ่งในชมพูทวีปเหมือนกันมันก็ตั้งติดอยู่นี่เดียวตรงนั้นนะ่ะ แม่ลูกศิษย์จะลาจะอะไรมาเฝ้าพระพุธธทธเจ้าท่านก็มายอมมาสารีบุตรท่านครูว่าอาจารย์เวลานี้พระพุทธเจา้าเกิดขึ้นในโลกแล้วนะคนทั้งหลายก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะอยู่ได้ยังไงแต่ก็ถามว่าไอ้คนในโลกเนี่ยคนฉลาดมากหรือคนโง่มากสารีบุตรก็บอกคนฉลาดมากแต่คนฉลาดน้อยคนโง่งมากแต่สัญชัยก็บอกเอ้ยแต่ ง, งั้นอะไต่างตัวหรอ คนฉลาดฉลาดก็ไปหาพระสุบนันะโคดมู้ฉลาดคนโง่โง่ก็จะมาอ่านฉัซึ่งเป็นคนโง่งก็อยู่ได้มันเดิมตรงนี้เราจะเห็นว่ามันติดที่การให้สําคัญแก่ตัวเองคือเห็นแก่ตัวนะแล้วก็ถือว่าถ้าเราไปทำอย่างนั้นท่านบอกว่าแหมไอคนอย่างฉันไปเป็นลูกศิษย์พระจุบนันโคดมนะเหมือนจับจระ เ, เข้ไปใส่ตุ่มจระเข้มันยาวนะฮะจับใส่ตุ่มเนี่ยมันอึดอ่ะไม่ใช่เล่นต้องม้วนหางหังหวก็ ง, งอ าอาหารก็ต้องงอม่าอยู่ไม่ได้นี่ก็คือก็คือสิ่งที่ทาให้ใจไม่ป่องใสมันควรจะได้ประโยชน์มากกว่านั้นแต่ก็ไม่ได้หรือบางครั้งก็อาจจะเกิดจากการไม่ชอบตทสานะฮะนักการกิเลสประเภทโัวสารเนี่ท่านดีสารพัดดีนะฮะแต่ก็ไม่ชอบเราไม่ชอบ ยังท่านสุปาุทธเรานึกดูว่าท่านสุปาพุทธเนี่ยท่านท่านท่านก็เป็นอานะฮะเป็นลุงของพระพุทธเจ้าแล้วก็เป็นพ่อตานะฮะเป็นพ่อตาของเจ้าชายธิตถาธนาไม่ใช่พ่อตาพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่มีเมียแก็เป็นเป็นเป็นญาตินะเป็นญาติกล้ชิดนะตลอดถึงพระเทวทัตเนี่ยเราจะเห็นว่าพวกนี้มันอยู่ที่โกรธพระพุทธเจ้า มันยิงที่โกรธข้างใจอยู่สุ ป, ปธธาุต t ก็ถือว่าโกรธที่จะชายเดชะทิ้งธนาเยโสธราผิผ่าแปลกนะฮะคนถูกทิ้งไม่โกรธแต่พ่อของคนถูกทิ้งโกรธเพราะนั้นคนถูกทิ้งได้บรรลุมรควุเป็นพระหานพ่อของคนถูกทิ้งตกนรกเลยนั่นคือจุดที่เราเหน็นต่างกันไหมปฏิวัตทัศนนั้นมีลักษณะแข็งดี เพราะโดยศักดิ์ศรีนี้เขาเท่ากันนะนะโดยศักดิ์ศรีก็เท่ากันท่านอยู่โกริยะแล้วก็เป็นญาติลูกพี่ลูกน้องกันด้วยศักดิ์ศรีเท่ากันอายุไรเรียกกันเ๋ยวทัตแก่กว่านิดนะนะแก่กว่าปีนี่ก็คือเกิดจากการไม่ชอบจิตบางก็ถูกตัวนี้ยปิดบังเอาไว้แต่ถามมาลึกๆในทานเหตุมาท่านก็เห็น ยังได้เคยเล่าว่าพระเทวทัตตอนที่บาดเจ็บจะตายนะจะมาฝ้าวพระพุทธเจ้าฤาษี ก, ก็บอกาอาจารย์จะไหวเลย อ, อาจารย์ไปทําอะไรผิดพระพุทธเจ้าไปเยอะเลนท่านบอกไอ้ยผมทำาพราะผมคนเดียวพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มีคิดโต้ตอบอะไรท่นหรอกพระพุทธเจ้าท่านมีพระทัยเสมอกันหมดอ่ะอานายขมังธนูโจนองค์ุลิมานช้างนาลาคิรี เทวทัตปราหุนเนี่ยพระพุทธเจ้ามีพระทัยเสมอกันหมดคนไล่ฆ่านะฮะแต่คนที่เป็นลูกในสมัยที่ยังไม่ได้เสด็จออกกระนว์ก็มีพระทัยเสมอกันก็แสดงลึกๆนี่จริงรู้แต่ว่ามันมีฝ้าคือความไม่พอใจความแข่งดีมันปิดบังเอาไว้ถ้าปิดบังเอาไว้เราก็แก่ทุกวันนี่ยนะแก่ลงไปทุกวันทุกวันผลรุธายมันก็เอาไม่ได้ หาประโยชน์จากสิ่งที่เป็นประโยชน์ไม่ได้ทั้งๆ ท, ง ท, งที่รู้มาเป็นประโยชน์ฟัะจิตใจที่จะเรื่อมใสเนี่ยมันจะต้องกระจัดความรู้สึกเหล่านี้ออกไปกระจัดความรู้สึกไม่เชื่อออกไปมองในแนวอะไรก็ได้นะมองในแนวของประัติศาสตร์มองแนวโบราณกคดีมองในกระแสของธรรมะ แล้วก็จัดความเครื่อนแปลงสงสัยคือบางเรื่องยังเอาไม่ได้มันก็ใช้ศรัทธานําเพราะศรัทธาในขจัดขจัดความเครื่อนแปลงสงสัยได้นะแต่จริงความเครื่อนแปลงสงสัยเนี่ยมันต้องกระจัดด้วยปัญญามันพวกโมหะมันพวกมืดมันต้องกระจัดด้วยสวะแต่ว่าศรัทธาเขาก็ก็ก็เปล่งนะฮะเขาก็มีรัศมีมล้วความขาจัดมืดได้เล ในศรัทธานั้นเราจะปักไปที่คนหรือว่าที่ธรรมะอย่ารู้แระเจ้านั้นเราเราอาจจะมองจักธรรมะไปก่อนเพราะเราไม่ได้เห็นพระองค์เลยนะฮะมองจัตธรรมะไปก่อนแล้วก็กะจัดความเคลื่อนแปรส ง, งสัยไปได้จนถึงก็จัดความเยงเกตตัวแล้วทำใจเลื่อมใสในรูปนี้เพราะผลจัตธรรมะปฏิบัติที่จริงมันเป็นขนาจิต คือท่านจะเห็นว่าคล้ายๆเรากินอาหารเนี่ยเปรี้ยวหวานมันเก็มแป๊บเดียวเอง น, นะนก็รู้แล้วถามว่ากี่นาทีมันไม่เป็นนาทีมันน้อยกว่านาทีมันมันเป็นวินาทีแร่ อ, อาจจะน้อยกว่าวินาทีแต่ทํำไปจะดีหรือจะชั่วเป็นเรื่องขนาดจิตมันไม่ใช่ยาวหรือเป็นสโลโมชั่นมันไม่ใช่อย่างนั้นเน่ยนะะมันเหมือนกับอุบัติเหตุฆ่า ค, าคนอะไรอะไรเราเห็นเพียงเดียวก็กเป็นฆาตากรแล้ว คนเรามันก็ระหว่างความดีความชั่วมันอยู่เส้นขนานกันนั่นเองเป็นคนดีๆอยู่รู้อำนาจแกอารมเปียงเดียวสัดชักปืนยิงคนเราก็เป็นฆาตกรละอาจจะออกจากวัดฟังเทศนั่งกรรมฐานเดี๋้วจะไปไปเจอเราไม่ไม่ไม่ดีเข้านะฮะกิเลสมันเกิดฝังคับใจก็ไปหายไปเลยเพราะนั้นแต่จิตเหล่านี้อย่างที่เคยเล่านะฮะว่าอย่าเรื่องมัตตคุณตลี คนนี้ที่จริงรู้จักพระพุทธเจ้าแต่ว่าพ่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องตอนป่วยหนักจะตายไม่ตายแหล่อยู่เนี่ยพ่อเอามาวางไว้ข้างนอกกลัวญาติพี่น้องมาเยี่ยมศพจะไปเห็นเสาต้นบัตรแกพระเจ้าเสด็จไปโปรดมันก็แค่เห็นนั้นนั้นเองแค่เห็นแล้วแกก็แกก็นอนหันหน้าเข้าฝาพระเจ้ากระชาจับประดังสีคือเป็นแสงเข้าไปกระทบที่ฝา แกเห็นไป็แสงแกก็พลิกตัวมาพอเห็นมาพุทธายามันยกมือไหว้ไม่รอดแล้วยกมือไม่ขึ้นแล้วมันจะตายแนละ้วแต่ทำใจเริ่อมใสก็เกิดสลดใจตัวเองว่าอยู่ใกล้แท้ๆไม่เคยเข้าไปพลาพเลยทิเจ่าเสดมาโปลวกก็าทาใจเริ่มใสแล้วก็ตายไปด้วยใจที่เลื่อมใสมันก็กลายเป็นเรื่องขนาดจิตที่พระเจ้าทรงแสดงว่าเมื่อจิตผ่องใสก็วังได้ว่าบังเกิดในสุดสติ นะแล้วข้อนี้มันจะไปสอดคล้องกันในเรื่องเหล่าอื่นทั้งหมดที่เคยพูดมานะครเป็นเรื่องหมากำลังฟังกระสูดที่ได้รับสั่งแสดงถึงว่าพา ท, ที่มันเกิดความสับสนในด้านความคิดที่ทําให้คนไม่เข้าใจเรื่องกรรมที่คนทําชั่วชัวอยู่เนี่ยแล้วก็ตายไปเกิดเป็นในสุคติหรือคนทําดีถ้าตายนะฮะตายไปตกนรกมันเพราะอะไรขุนเจ้รับรับสั่งว่าที่ตกนรกนี่ที่จริงตกเพราะความชั่ว ที่เขาขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นเพราะความดีก็แสดงว่ากรรมเนี่ยมันไม่ได้อยู่เฉพาะตรงนั้นแต่มันอยู่ในอดีตที่ตามมาด้วยแล้วก็อยู่ในชาตินั้นด้วยแล้วก็อยู่ในขณะจะดับจิตด้วยมันก็เหมือนกับเราจำนี้จานานทางอะไรก็ตามขับรถไปจำนี้จานานดีไปถึงจุดหนึ่งเผลอแป๊บเดียวเลี้ยวผิดเห็น ไ, ไหมไอตอนเลี้ยวผิดมันก็แป๊บเดียวแต่กรุงเทพเนพี่ยแป๊บไม่ได้รถมันติดนะครับรถมันติดอยู่กับเลี้ยวช้าหน่อย อันนี้ก็คือก็คือขณะหนึ่งเนี่ยมันมันตัดสินใจพลาดได้แม้จะเรารู้อยู่เพือพัดเดียวเราก็เลี้ยผิดได้เกิอดอุบัจะเหตุได้หรือว่าเราเราไม่รู้แต่มันเกิดเราถูกขึ้นมาก็ไปได้ะเลี้ยถูกได้อันนี้ ก, ก็ก็แล้วแต่คาการสอบแล้วก็สอบปรนัยทุกวันเนี่ยบางทีเด็กตอบไม่ได้แล้วบางทีขีดทรงๆแบบนี้แกก็ถูกเก็พอดีเลยก็สอบผ่านนี่ก็คือเรื่องของขณะจิต ที่ทําให้เดือมใส่หรือที่พระโมคคัลานะตามสเสด็จพระพุทธเจ้าไปแล้วก็มีหญิงจันทานคนหนึ่งยืนตัวสั่นจะตายแนละวพระโมคคัลานะท่านเดินเข้าท่านก็แวะไปถึงยืนข้างๆยายนี่พระพุทธเจ้าสเสด็จมาทําใจเดือมใสยกมือไหว้แกก็ยกมือไหว้ทาใจเรือมใสแล้วก็ทุดวอบลงไปกันตายบังเกิดในสุคติแกเคยได้ยินข่าวพระพุทธเจ้าไม่เคยเห็น คเคยได้ยินข่าวพระพมกัลานาไปกระซิบบอกนี่เดียวแล้วมายังยังนึกถึงยายหญิงจันทานนั้นแล้วนึกถึงคนไทยสักทีคนไทยจริงว่าว่าง่ายนะแต่ถ้าไม่บอกละไม่ทำดูกันวันก่อนอรกรนึกนั่งตอนแห่พระหรมส า, าที่กระทาปีแรกนะฮะปีสองเจ็ดนี่เราแห่มาจากพระบรมรูปอาตมานั่งม่ ก, กับคุณอาสาเมฆสวันด์มานั่งดู เราสั ง, สงเกตว่าคนรู้ล้อมุงอันแต่ไม่แม้แต่ไหวเลยนะพอโคโซกบอกว่านี่พระธาตุ น, นะพระธาตุประรมสาทิกรธาติมณโบน่ะไหวจะไหวก็เป็นแถวอนะว่าง่ายดีจริงๆอะว่าง่ายดีแต่ว่าไอ้คิดเองเนี่ยไม่ไม่ค่อยคิดนะแต่ก็ดูได้ไมายืนเป็นแถวพอเขาบอกให้ว่าแกก็ไหวนะอย่างนึกตึงใหญ่ยันทานคนนั้นอย่างแต่ว่าคนนี้แกแกไม่รู้นะว่า คือพระพุทธเจ้าเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นพระเนี่ยไนอะ้คนพระก็เดินปนป น, นกันไปก็ไม่รู้ไอท้ที่ทําเป็นรูปมีเมาลีมีอะไรเนะี่ยมันปฏิมา ก, กรร ม, มนะฮะไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระเจ้าทา่ทานท่านท่านก็ปนผมเป็นพระธรรมดาธรรมดาก็เดินไปแต่ใครไม่รู้จากท่านมาก่อนก็ไม่รู้ เพราะนั่นนี่คือการทําใจเริ่อมใสในวัตถุที่เลิศไปผลที่เลิศแล้วก็เลิศไปเรื่อยๆนะเราจะเห็นวาไปถึงอนุสติพุทธานุสติก็คือการทำจิตให้เรื่อมใสในวัตถุที่เลิศไปเจริญพุทธานุสติไปบรลุมรรคผลเป็นพระยบุคคลอย่างที่เคยเล่า ว, ว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวี่ บทสวดมนต์ที่ท่านทั้งหลายสวดมนต์มาเมกี้เนี่ยพระบาทสมเด็จพระจมเกล้าเจวทรงทรงนิพนธ์เน่ยนะบอกความลึกซึ้งน่าดูเลยอิทัตตถากโตเนี่ยเป็นดูนะฮะแล้วก็พุทโธสุสุโทก็ไม่ไม่จะธรรมดาแสดงถึงศรัทธาเริ่มใส่พระเจ้ามากแล้วก็ออกมาเป็นภาษาก่อนจะสวรรคตเนี่ยหรือแสดงให้เห็นศรัทธาเริ่มใส่พระเจ้ามากแล้วก็แสดงในความรอบรู้ในประทุก ในประธรรมมากแล้วผลจากการมาบัติสูงมากจะมีการเชื่อกันว่าท่านเป็นพระยบุคคลตอนนั้นนะ่ะนะะตอนนั้นนะ่ะไม่ได้เป็นก่อนหรอกแต่เป็นเป็นก่อนจะดับนะเนี่ยพดูแล้วมันไม่ใช่จิตปุถุชนคําพูดคําจาอะไรต่อะไรทั้งหมดเนี่ยไม่ไม่จะสามัญชนแต่ว่าเป็นระดับพรารยะถสวจะชั้นไหนไม่รู้นะฮะมันบอกว่าแม้จิตเราจะ ก, กระสับกระสาย แม้กายเราจะกระสับกระส่ายแต่จิตเราจักไม่กระสับกระส่ายแยกจิตออกจากกายได้คำสอนของพระพุทธเจ้าเราได้ปฏิบัติตามแล้วภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธให้ใจเข้าใจพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธจนแผ่หายไปใครตายได้ไหมอย่างนี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะตายได้ขนาดนี้นี่ไม่ใช่ธรรมดาเลยแล้วก็รับสั่งในแง่ความเข้าใจธรรมะว่า สิ่งใดที่บุคคลเข้าไปยึดมัน่นหือมั่นเอาไว้สิ่งนั้นจะไม่มีโทษนะไม่มีเลยนัตเถตังโลกาสมิงยังบุปาเดยะมานางนะวัชังอัสสะมันก็คล้ายๆกับสเบธมานารังเป็นนเวสายะอย่ามต้องปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมัน่นที่หลวงพ่อพุทธทาสนำมาเผยแผ่อยู่ห้าสิกว่าปีแต่พระจอมนั้นท่านท่านเรียบเรียงขึ้นมาเองเรียบเรียงขึ้นมาเองสร้างประโยค์ และคำสตรคำสอนเนี่ยพระบาทสมเด็จพระจอมเนี่ยท่านซึ้งในอนัตตานี่มากอนัตตานี่เยอะแล้แกค้าก็ติดพระไทยอยู่เลยตัวอนัตตานี่แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่มีความรื่นใสในพระพุทธเจ้าในสูดูบทแปลพุทธโธสุสโธดนนูนั้นเรียงเองไง น, นะแล้วก็มีบทหนึ่งที่จริงมากกว่านั้นเขาเรียกพุทธังนาเม โอ้ทราบซึ่งในยพระพุทธเจ้าอ่านแล้วเนี่ยมันมันมันซึ้งมากนะฮะอ่านแล้วนี่เรียกว่าผลลุกเลยเกิดปีติเกิดเ อ, อิบิมว่าสามารถที่จะดึงเอาพระคุณพระพุทธเจ้ามาถ่ายทอดเป็นภาษาใจแล้วออกมาเป็นภาษาของฉันฉันชันเยี่ยมเยี่ยมมากๆแต่ว่าสวดยากจังเลยจาจํายากประการต่อไปนั้นก็คือ ทำทั ate ate Eat, fit, ้งหลายเนี่ยมันแบ่งเป็นสองกลุ่มเรียกว่าสังคตธรรมกับอาสังคตธรรมสังคตธรรมก็คือทำที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายหมายความอะไรก็ตามในรูปไปตนาตัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่มีวิญญาณไม่มวิญญาณทั้งหมดเนี่ยมันมันปัจจัยปรุงแต่งแต่นั้นมันไม่ได้เกิดขึ้นเดิมพันแล้วอาสังคตธรรมทำที่ปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งแต่ในที่นี้เน้นที่ตัวปัจจัยปรุงแต่ง คามกังวลชนิดหนึ่เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเด่๋ยวไมมันจะเกิดขึ้นโดยมีเหตุปัจจัยให้เกิดพื้นฐานภายในของเรานะแล้วก็ชาติสกุศลวิชาความรู้อายุของเราจิตใจที่มีความเข้มแข็งมันก็เกิดเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดทีเดยวหรือว่าสติอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆมันจะต้องมีองค์ประอกอบของเขาในการเรียนรู้ฟังเสียงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นลอยทางนันเรียกว่าเหตุปัจจัยคือปัจจัยมันปรุงแต่ บรรดาธรรมที่ปัจจัยปรุงแต่งทั้งหลายเนี่อริยมรรคไม่องแปลประการเนี่ยเป็นยอดอันนี้ก็อย่างเราก็พบพระสูตรทั้งหลายบ่อยๆนะว่าธรรมะทั้งปวงกุศนและธรรมทั้งปวงจะเรียกไงกันรวมลงที่อริยมรรคไม่องแปลไอรมรรคไม่องแปลรวมลงที่ใจสิขาสตริมสมาธิปัญญาใติขาก็รวมลงที่อัปปมาร คือควาไม่ประมาทหรือสมาธิฏินะฮะเราเห็นว่าถ้ารวมที่อัปมาทก็คือรวมที่สติถ้ารวมที่สัมมาธิฏิก็คือรวมที่ปัญญาก็เป็นสุดยอดนะจากแปดหมสี่พันในรวมแล้วเป็ น, ป น, ปนหนึ่งได้นะมันเหมือนกับต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านไปสานมาก็รวมแล้วก็มาจากต้นเดียวกันนี่ก็คือก็คือเรื่องธรรมะที่ทรงจําแนกแสดงออกไปโดยพิสดาร ประยะเวลานานคุณฟังก็มีฐานทางกันก็สนทรภัณที่การเริ่มใสเนี่ยหมายความว่าเราเริ่มใสที่เชื่อมโยงมาจากพระพุทธเจ้าเพราะว่าเป็นถ้าเราศรัทธาในพระเจ้าเราก็เริ่มใสในพระธรรมของพระองค์หรือมาอย่างนั้นก็เริ่มใส่ที่เกิดขึ้นจากปัญญาปิณิพิจารณาศึกษาค้นคว้าปิณิพิจารณาแล้วก็ปฏิบัติ น, นนะฮะแต่ความเริ่มใส่จะมั่นคงเนี่ยมันอยู่ที่ปฏิบัติ ก็คล้ายๆกับอาหารเนี่ยท่านเชื่อมั่นว่าอร่อยในยหลังจากท่านชิมนะใช่ไหมฮะถ้าเรายังไม่ชิมนี่เราเรายังไม่ค่อยมั่นใจนะอาจจะสีมันสวยกลิ่นมันดีอะไรต้องชิมดูนะแต่ยิ่งตกลงนะชิมสักคำก็พอแนละ้วเราจะรู้นะเพราะว่ตรงนี้มันก็เดินมาได้เรื่อยการการศึกษาเออก็น่าสนใจพิจารณามาก็ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นแต่ก็ยังมีอะไรที่เราไม่แน่ใจอยู่พอลงมือชิม ลงมือสัมผัสเองแล้วจะจะเกิดสาดตงางค เ, เดียวกันเพราะนั้นอริมักพิองแปประการก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันคือท่านแสดงเหตุอริมักพิองแปดมันเป็นเหตุนะฮะมันเป็นทางและในขณะเดียวกันท่านก็แสดงผลเอาไว้เส่นว่าผลของการจเจริญไปในสมาวจารสมากัมันตะสมาชีวานะ่าสามข้อระดับศีลธรรมเนี่ยท่านเรียกว่า เป็นการปิดก ah, ั้นกระแสเวรภัย hmm. อ ah ันตรายต่างๆได้ไม yeah. yeah. mm ่ต้องถูกจับกลุ่มขังไหนคนนินทาคงมีไม่ต้องไปห่วงมันดีมันก็นินทาชั่วมก็นินทาแต่ว่าเราจะไม่ถูกจับกลุ่มขังใครกล่าวหาก็พิสูจน์ตรวจสอบได้มันก็กลายเป็นกลายเป็นสุจริตคือกราบป้งศาสตร์พรองเพราะจริงๆแล้วสมาวจาสมาการะสมาธิว่าก็คือสุจริตพูดคําเดียวคือสุจริตสุจริตในสุจริตวาจาสุจริตกายสุจริตในการเลี้ยงชีพ เป็สุจริตนั่นเองคำคำเดียวพอล้ทีนี้ถ้าเราสัมผัสได้เนี่ยมันมันจะเกิดความศรัทธามั่นคงมันเหมือนกับที่เคยเล่าเรื่องท่านสรีหาเสนาบดีที่มากราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงอานิสงส์ของทานว่าคนที่ให้ทานดีแล้วเนี่ยจะได้อานิสงส์อย่างไงพระพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์หกข้อนะตามปกติที่สังเกตในพระไตรปิฎกนียจะแสดงห้าข้อแต่พอแสดงไอ้ท่านสีหาเสนาบดีท่านแสดงหข้อ คือหผู้ให้ทานจําเป็นที่รักของคนเป็นอันมากสองคนดีนะสัตว์กรลุ่คนดีจะก็อผาสมาคพกับผู้ให้ทานสามเกียรติคุณชื่อเสียงที่ดีงามของผู้ที่ให้ทานเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับรับถือของสังคมคือพุ่งกระจรกระจายไปในที่ต่างๆแล้วก็ก็ยังนึกถึงคุณกำจอนชาวนารลัดคุณการนะฮะลูกจิตจิวัตรตอนนี้กำลังดังใหญ่ เป็นเศรษฐีใจบุญนะครเป็นดังอยู่ทีภาคต่างๆสร้างโรงพยาบาลสิบแห่งก็สร้างโรงพยาบาลในานามสมเด็จพระสังฆราช่เรียกว่าโรงพยาบาลสกุลหมาสังคีเป็นนายกแล้วก็สร้างในานามตัวเองมันก็ดังไงนะคนก็กระรุกกระลือยกย่องเชิญไปออกอะไรต่ออะไรเยอะแยะหมดแล้วก็เข้าไปในสมาคมไดในมีเกียรติ เป็นเป็นเป็นบุคคลที่มีเกียรติรับยกย่องจากสังคมอันนี้อันนี้เป็นเป็นเป็ น, ปนสิ่งที่ท่านสีหเสนาบดีท่านทํามาประจำคือการให้ทานเป็นปกติเพราะงั้นพอพระพุทธเจ้าแสดงสี่ข้อเนี่ยไม่ต้องเชื่อเลยบอกโอสิ่สี่ข้อนี้ครับพระองค์สัมผัสมาตลอดระยะเวลาเป็นเรื่องจริงอย่างนั้นแต่ทีนี้มันมีอีกสองข้อแล้วจังว่าจะไม่หลงตายคือตายอย่างมีสติแล้วตายไปแล้วไปบังเกิดในสุกติท่านบอกอีกสองข้อนี้ ยังไม่ถึงงนะต้องขอเชื่อพระคุณเจ้าคือยังไม่สัมผัสเรายังไม่ตายนะฮะเลยเลยไม่รู้ว่าเกิดสวรรค์หรือเปล่าตรงนี้เราใช้ความเชื่อเราต้องลงว่าใช้ปัญญาได้สี่ข้อใช้เชื่อเสียสองข้อทีนี้ธรรมะเองที่จะมีลักษณะอย่างนั้นว่าใ้ความเริ่มใสแต่มันจะเกิดส่วนหนึ่งก็เกิดจะศรัทธาว่าพระเจ้าท่าสอนอย่างเนี้เพราะอะไรเพราะบางเรื่องในเราเรายัางไม่ถึงแต่เราอาศัยเชื่อมโยงกับ พระพุทธเจ้าม า, าเราก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระธรรมที่เป็นคําสอนของพระองค์แต่ว่าตรงตรงนี้มันก็เป็นระดับหนึ่งนะฮะเราจะเห็นว่าพัฒนาเดินไปจนถึงธรรมานสติรลึกถึงพระธรรมระดับในการป้องกันภัยป้องกันอันตรายทั้งหลายนะเช่นแต่เมตตาที่ในสมัยโบราณที่คถ า, าสองข้อที่ก็ถือกันตลอดนะฮนะเข้าป่าเดินป่า เรียกวิรูประเคกับเม็ดกับเม็ตันนะนะกรณีอย่างเม็ดสูดเวลาจะเข้าป่าไปถึงประตูป่านมจะหยุดสาธยายคาถานี้จะป้องกันสัตว์ป่าวุฒิอสราพิทั้งหลายได้เป็นคาถาป้องกันสัตว์ร้ายนี่ก็แนวแนวแนวหมายความว่าเป็นธรรมารู้สติแต่ระดับสาธยายนํามาท่องได้ผลเป็นความเป็นขวัญ เ, เป็นกำลังใจ แล้วก็พวกนี้ก็เดินไปเรื่อยๆจะเป็นธรรมานุสติแล้วที่จริงๆนะฮะคือต้องปฏิบัติเพราะพระพราะถ้าปฏิบัติแล้วจะกระจัดความเครื่องแแปลงสงสัยพระธรรมก็คือการนะะั่นนะความไม่รู้ความไม่เชื่อความเครื่องแแปลงสงสัยความเห็นแก่ตัวกลัตัวเองจะลําบากเฮ้ยไปปฏิบัติธรรมะไปนั่งพระเปียกเรียบร้อย นอนวางเทพปฏิบ้านดีกว่านอนสบายสบายนะคุยไปด้วยฟังเทพไปด้วยวะอะไรแต่ไรเนี่ยเมื่อกี น, นี้ก็คือแสดงความเหียรเก็บตัวมันมันทะนุถนอมตัวอย่าทำให้อิจใจยังไม่ฟองใสเพราะยังนึกถึงตัวคือฟองใสจริงๆตอนนึกถึงทำเรียกว่าธรรมาที่พระเจาเกือให้ความต้องการแก่ธรรมที่ทำเป็นใหญ่ธมะจึง จะขจัดไอสิ่งที่คุดมัวเศร้าหมองไปในใจออกไปอิมัคไม่องแปลประการกจําได้นะสมาธิปัญญานี่ยชอบสมาสังกปะความนริชชอบพวกนี้เป็นปัญญาให้เราสังเกตว่าเวลาเรียงศีลสมาธิปัญญาในเรียงศีลสมาธิปัญญาแต่เรียงอริยมรรคในเรียงปัญญาศีลสมาธิเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต้องใช้ปัญญาต้องใช้ปัญญานําพิจารณาเห็นคุณเห็นโทษ เป็นคุณของความมีศีีมสิ่สดงดนั้นหรือบางทีก็ศรัทธานะมีความเม็ตก็คือคือสมาธิได้โปรดสังเกตเช่นว่ากรร ม, มสักตาสมาธิิก็คือกรร ม, มสักตาศรัทธาจะเป็นศรัทธาระดบับศรัทธาก็ได้ระดับทิฏฐิก็ได้หมายความาระดับทิฏฐิก็คือปัญญาเรามากพอเราก็ตัดสินใจได้ระดบับระดบับศรัทธาเราก็เชื่อเชื่อเชื่อผู้สอน ยังไม่เชื่อตัวคําสอนมั่นคงแต่เราก็เชื่อที่ที่ผู้สอนอย่างที่เคยยกยกตัวอย่างของเบือแกเราทานยาเนี่ยบางทีเราก็ทานเพราะเชื่อหมอเพราะหมอให้ยานั้นแต่บางทีในเราทานเพราะเชื่ อ, อยาแสดงว่าอะไรแสดงว่าเราต้องเคยทานยานั้นมาแล้วเคยรับผลนั้นผลจากยานั้นมาแล้วจึงทานเพราะเชื่อยาได้นะฮะแต่ถ้าตราบใดที่เรายังไม่รับผลนี่ต้องเชื่อหมอไว้ก่อน ธรมะก็เหมือนกันนะฮะยาก็เหมือนกับพระธรรมหมอก็เหมือนพระพุทธเจ้าบางอย่างเราก็เชื่อหมอบางอย่างเราก็เชื่อเอชื่อยาแต่จริงๆเวลาเชื่อก็เชื่อเ ช, ชื่อถึงกันนะฮะเชื่อมถึงกันแล้วประการต่อไปคือธรรมที่เป็นอสังคตะคือปัจจัยไม่ได้ปรุงแต่งนะฮะไม่ได้มีปัจจัยปรุงแต่งก็ได้แก่อะไร วิราคาธรรมวิราโคเสตโธธรรมนานังนะฮะวิราคะเป็นยอดแห่งธรรมทั้งหลายวิราคะเนี่ยจริงมันเป็นชื่อเรียกเรียกผลของการของธรรมปฏิบัติเรียกชื่อยกเรียสักห้าสิบกวชื่อมัในในธรรมจกกักรวรรณาศึกกับวรรณาสูตรนะครับ เจะเห็นว่าวิชาใชคับอภินยายาสัโธทายานิปพานายาธรรมทตติอันนี้ก็งันงันเนี่ยวิราคาว่าวิราคาทนั้นหมายความมาจิตใจที่ปราศจากความกำหนัดดินดีในอารมณ์ทั้งหลายพูดเฉพาะวิราคาแต่อย่าลืมนะฮะกับวิโทสะวิโมหะด้วยหมายความว่าถ้าเทพกับพระนี่วิาจะใช้คำว่าวิราคา คือจิตที่มันปรตาตจากราคะในอารมณ์ทั้งหลายกับชาวบ้านเทศไม่ได้หรอกปรตาตจากราคะชาวบ้านไม่มีทางปรตาตจากราคะได้เพราะถ้าปรตาตจากราคะก็เป็นพระราคามีไปเลยเป็นพรานไปเลยจะ แ, แสดงให้พระเนี่ยเกิดมองเห็นว่าคุณสมบัติเหล่านี้ก็คือจิตที่ปรตาตจากกิเลสคือนิพพานนะวิราคะก็หมายถึงนิพพานอาจจะเรยียกว่านิโรธอาจจะเรยียกว่านิพพานเรยียกว่ามิมุสิสุสุสันติอะไรต่าง ก็สรุปว่าเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติถ้าในแนวกรรมฐานก็คือมีนิพพานเป็นอารมณ์นะพวกอนุสติที่เราเรียกว่าอุปสมานุสตินะคือตั้งสติเราเลิกถึงความสงบให้เป็นสัมผัสตรงภายในใจแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสในความสงมบเกิดปีติเกิดปราโมทย์ขึ้นมานะฮะเราจะเห็นว่าอะไรล่ะ เหมือนกับพระวักกัลิที่ที่ท่านเริ่มใสในในพระพุทธเจ้าแต่ตอนนั้นมันมันก็หมายความว่าเริ่มใสตัวตัวธรรมแล้วนะตัวธรรมเพียงแต่ว่าอาศัยองค์เป็นสื่อธรรมมันเกิดปีติเกิดปีติขึ้นมาแล้วก็ปีติมันโลดโผนมากเลยลอยขึ้นไปแล้วก็เจริญฌานในฐานจิตบรรลุทันตีนะไม่งั้นก็ตกตายนะก็จิตบรรลุทันตีก็บรรลุปิญญาก็ออกมาครอพระพุทธเจ้าจากภูเขาคิสสกูลได้ นี้ก็คือจิตที่เลื่อมใสในในตัวนิพพานแล้วก็เห็นว่าเป็นสภาพจิตที่ถ้าสัมผัสได้นะฮะเป็นกสุขอย่างจริงทีนี้การการจะทดลองสัมผัสเนี่ยเราต้องดูว่าลักษณะของนิพพานมนะัคือสุขสงบเย็นนะสุขสงบเย็นตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะฮะที่จริงมันมันมันมั น, ม, นมันแยกกันไม่ออกระหว่างสุขสงบเย็นเนี่ยแยกกันไม่ได้ออกหรือเยาว์าเย็นก็ได้นะ เรียกว่าสุขก็ได้เรียกว่าสงบก็ได้จะต้องเป็นพื้นฐานจิตที่ปราศจากกิเลสหรือปราศจากทุกข์ถ้ายังมีทุกข์ยังมีกิเลสอยู่นะฮะก็ไม่เรียกว่าเป็นนิพพานจะน้อยกิเลสมันสงบแนวชิมนะฮะทำยังไงจรึงหัดชิมนิพพานได้บ้างก็ห ม, มายความว่าเวลามีปัญหาอะไรเนี่ยจะก็ทำให้เราสับสนว่าสับสนว่าบุญเราก็สงบใจนะ อย่าไปเดือดร้อนกับเรื่องแบบนั้นก็แนวเนี้ยแนวฆ่าความชนะความโกรธด้วยไม่โกรธชนะความชั่วด้วยความดีชนะความสนิทในการให้ชนะคนผู้ใจเลวไหลโดยพูดคำศัพท์คาจริงมันยุติเห็นไหมมันยุติแล้วเราก็สงบตรงนั้นนี่คือเหัดนิพพานอ่อ น, ออนสัมผัสชิมนะฮะชิมอาจชิมไปเรื่อยถ้าเรียกว่าสันติการนิพพานหนังคือนิพพานที่เห็นในขณะนั้นนะ่นะอาจจะได้จาก ชั่วโมงสองชั่วโมงสงบได้ละชั่วโมงสองชั่วโมงนาทีสอ ง, ง น, า ท, องนาทีก็ยังดีนะเพราะว่าจุดมุ่งหมายตํางการก็อยู่ที่สามารถเอาชนะกิเลส ท, ที่เกิดขึ้นในแต่ละขณนะที่ทรงแสดงโดยอุปมาเทียบเคียงว่าแม้มันเกิดขึ้นสักกระชั่วช่างปรบหูงูแลบลิ้นจิตมันสงบ ช่วขนาเนี่ยอย่างที่บอกว่าช่วขนาดเนบรรลุมมผลผลในป่านแล้วนะช่วขณะทีนี้ถ้ามันเกิดได้ชั่วขณะหนึ่งมันก็กคือแค่แค่คชิมชิมมันก็เกิดชั้นทาอุตส า, าระที่จะสัมผัสให้ลึกซึ้งขึ้นไปเรื่อยๆจะมีความเพียรพยายามการผลขวัญในทางที่ชอบก็จะสัมผัสผลลึกซึ้งขึ้นไปคือไม่จะอยู่ที่เรื่อมใสยอย่างเดียวแต่ว่าก็แน่ปลูกพืชอย่างที่ว่าเนี่ยแต่กว่าจะได้ผลมันก็ต้องใช้ เวลาแต่ในขณะเดียวกันถ้าก็แสดงผลระดับเรื่มใสนะฮะแล้วเรื่มใสเอาไว้เฉยๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างขลังค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เขาว่ากันเนี่ยนะแต่ที่จริงมันเป็นเป็นอนุภาพแล้วก็นำไปใช้ในเรื่องอื่นๆนะในในอัตถกถาท่านเล่าถึงเด็กเด็กเล่นเล่นถอยกองเล่นครูปไปเล่นยังไงไ เด็กก็สรุปไปโยนลูกไปนะโยนลูกไปเด็กไปทบลูกคล้ายๆกับอะไรอ่ะเรียกอะไรก็เล่นไม่เป็นก็เด็กคนหนึ่งเนี่ยก็ต้องภาวนาทุกทีนโมตตะภโกตระตัวสมาสมุทธตตะทุกทีแล้วโยนนะแล้วแกชนะทุกทีเลยมันมันเป็นวิธีรวบสมาธิเห็นไหมมันมันเป็นวิธีสร้างสมาธิอย่างหนึ่งเราเห็นได้ชัดเลยเพราะวิธีอย่างนั้นคือสํารวมใจให้เกิดสมาธิ เพราะไอ้กีฬาทั้งหลายไม่ว่ายิมนาสติกบัลเล่ะอะไรอะไรเนี่ยก็จะต้องฝึกสมาธิถ้าไม่มีสมาธิแม้แต่ไอ้ไรเดียดเป็นลงเป็นเนินเนี่ยถ้าไม่มีสมาธิมันก็ทำไม่ได้เพราะว่าสมาธิที่ท่านใช้เนี่ยมันทำให้สามารถโยนไปได้แล้วก็เด็กคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันแต่เป็นเด็กนับถือาศาสนาอื่นเขาเรียกว่าลูกของนักบวชลูกศิษย์ของนักบวชน อ, นบบนอาศาสนา ก็สนใจเอมันมันมันมันทำไมมันโยนโถูกทุกทีเลยศึกษาวิธีก็ภาวนาน้าโมด้วยแล้วต่อมาเด็กคนเนี้ยเด็กเด็กคนที่เป็นลูกสกุลวิชาทิฏฐิเนี่ยติดพ่อไปในกระบวนกเกวียนเกวียนไปอาชีพตัดไม้นะฮะตัดไม้แตงไม้ฟืนเนี่ยแตงไม้ฟืนขายแล้วพอดีก็ปลดโคไว้ในที่เดิมโคก็ติดฝูงเข้าเมืองไปเลยพ่อก็ไล่ตามไปก็ประตูเมืองก็ปิดออกมาไม่ได้ เด็กก็ต้องนอนค้างอยู่กับเกวียนในป่าชา้าตกกันดึกขึ้นมาก็มียักษ์สองตนมาเห็นข้าวก็จะจับกินนะแต่ทีนี้เด็กมันติดปากอะไรแกก็น้ำมงกัเรื่อยค่ายกันนางทนัญชานีพราหมณีที่เคยเล่ากวามบันเทิงพอยากไปจับปับ๊บแกก็น้ำโมตระเลยด้วยพุท ธ, ธานุภาพในยักษ์กระเด็นเ ก, เกิดเคารพรับถือเด็กเกิดกลัวเด็กเคารพรับถือเด็กเห็นเด็กหิวก็ไปขโมยเอา อาหารในวังมาให้กินแล้วก็ถาดก็วางนั้นก็รุ่งเช้าก็ถาดหายนะอาหารถาดสําหรับราชาก็หายก็เกิดหากันหาการก็ไปเจอก็เด็กบอกไม่รู้ใครเอามาให้กลางคืนแล้วก็เรื่องไปถึงพระพุทธเจ้พาพระเจ้าก็รับรองว่าก็มียักษ์นเอาไปให้ แ, แสดงให้เห็นถึงว่าเนี่ยจิตมันเริ่มเริ่มใสระดับนี้นะระดับขังขังนะระดับขังขง ภาวนาพุโทโธนโมตัวเดียวนะฮะนโมตัวเดียวปลุกภาวนาแบบแบบหายใจสงบอยู่กับเรื่องเดียวนั้นมันก็ผลที่เลิศในระดับนั้นแต่ว่าโดยจุดมุ่งหมายจริงๆมุ่งไปสู่ผลที่สูงขึ้นไปกว่านั้นแต่อย่าลืมว่ามันเหมือนการเดินทางนะเดินทางไปก็สัมผัสเส้นทางไปเรื่อยๆเราก็รับผลเหล่านั้นไปเรื่อยแร่ามาปฏิ บ, ตบัติมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคือมีสัมผัสทางใจไปโดยลําดับ แล้วก็เพิ่มความประณีตขึ้นมาทางกายทางวิชจจาขึ้นไปเรื่อยๆประการต่อไปก็คือเรื่องพวกนี้เขาเรียกว่าสังคต ธ, ธรรมนะอะสังคต ธ, ธรรมนะฮะนิพานตัวเดียวนะอะสังคต ธ, ธรรมเนะี่ยอย่างอื่นมาก็ปัจจัยปรุงแต่งทานั้นที่เขาเรียกว่าจริงๆมรสีผลสีนิพานอนยะ่างนทีนี้ถ้าพูดถึงถึงมรสีผลสีเนี่ยเราจะเห็นว่าสามประเภทแรกเนะี่ยที่ยั ง, ยงมีปจัจจัย จิต ใ, ใจของท่านยังมีปัจจัยปรุงแต่งอยู่เพราะท่านยังต้องเกิดอีกอก็มีเฉพาะพระอาหารหันต์นะที่ไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เพราะว่าเข้าถึงนิพพานจริงๆเพราะานิพพานจริงๆมันก็มีอยู่เฉพาะพร ะ, พระอาหารหันต์พระปัจเจกาพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือพุทธะพุทวกพุทธะ ท, ท, ทั้งนั้นแต่ว่าอยู่ในใจ มันอยู่ในใจนะฮะอยู่ในใจคนเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการรู้มันเป็นยังไงมันก็ต้องให้อยู่ที่ใจเราคือรู้ด้วยใจตัวเองรู้ได้อย่างอื่นไปได้แต่อย่าลืมว่าสัมผัสประสาทสัมผัสเราห้าอย่างเนี่ยเราพิสูจน์อะไรได้เยอะหน้าตาหูจมูกลิ้นกายเราพวกนี้ก็ต้องพิสูจน์ด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเขารู้ด้วยอะไรเราต้องรู้ด้วยประสาทนั้นก็เห็นคนนั้นคนนี้ด้วยตาถ้าเราต้องการเอาคนนั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยไงเราต้องรู้ด้วยตาด้วย เราไปฟังด้วยหูไม่ก็ไม่ได้เห็นไหมฮะนิพพานเนี่ยมันเป็นเป็ น, ป น, ป น, ปนที่ที่รู้ได้ด้วยใจเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต้องการรู้อย่างที่ท่านรู้เราก็ต้องรู้ด้วยใจเราไม่ใช่รู้ด้วยใจท่านเพราะเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคลนะข้อต่อไปก็คือเรื่องคณะกลุ่มคนบุคคลทั้งร้านรวมทั้งหมดนะคณะอะไรก็ตามนักนะพรามบริษัทปิจูบริษัทก็นับไปเยอะแยะนะนับนับไปเยอะ โดยสรุปว่าคณะกลุ่มคนทั้งหลายก็คือมูสงมูสงในที่นี้นะฮะมูสงตามสังกขุนนะนะมูสงตามสังกคุณได้แก่ท่านที่ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรที่เราสวดสรรเสริญเนะี่ยฮะยะดีดังนี่คือใครจตาริปริสยุกาณีครูแห่งบรุษีอัฐบริสุบุกละบรุษปุคนแ เอสาพระกบโตสาวกสังโฆนี้คือผู่สาวกของพระผู้มีพระภาคจักเป็นคณะบุคคลที่มีความสะอาดมีความบริสุทธิ์แต่โดยลําดับนะพระนับจากพระโสดา บ, บันขึ้นไปนะฮะมันจะนับจากพวกบกเวยไรเซกประลัดประเลิดขึ้นเนจคือนับจากพระโสดา บ, บันขึ้นไปนับจากผู้ที่จริงแล้วเนี่ยก็เรียกว่าปฏิบัติเพื่อละราคาโทสะโมหะ ไปโดยลำดับแต่ว่าจุดขาดเกณฑ์มาตรฐานจริงๆเนี่ยต้องเป็นประสบการณ์ขึ้นไปมันเป็นคณะบุคคลที่เราเริ่มใสในอะไรเราจะเห็นว่าพวกนี้มันเข้ากรอบคือโดยเสด็จรอยุยคนบาตพระพุทธเจ้าชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือมีปัญญามีความในสุดมีความกรุณาสูงขึ้นแล้จนถึงเป็น สามีจิตปฏิปันโนก็เรียกว่าสูงจริงๆสูงเป็นเป็นพระอระหันต์ไปท่านเหล่านี้อยู่ในฐานะที่เรียกว่าคณะบุคคลที่ถ้าทำใจเริ่อมใสเนี่ยก็จะได้ผลที่เลิศเราลองดูบุคคลบางคนตัวยอย่างง่ายที่สุดคือภาษาริบุตรเนี่ยประกายความคิดของภาษาริบุตรมันเกิดขึ้นจากการเลื่อมใสปัสสัจฉิ เดินวินต บ, บาทนะนะที่จริงเดินก็คือเดินนะนะเดินก็คือเดินแต่ว่าเกิดประทับใจเกิดสตาทคเริ่มใส่เรียกว่าไม่ขนองกายไม่ขนองวัจจามันใช่มองเลึกหลักมองบุญวายไปหมดเลยแน่นอนนะพระเดินกรุงเทพนะจะจะเรียบร้อยขนาดนั้นไม่ได้รถชนตายเปดฮะก็เรียกว่าพอสมควรนะนะ่คือสัรวมระวังในพอสมควร จะข้ามถนนก็มองซ้ายมองขวาให้ดีจะเดินก็ดูคนให้ดีก็หลบคนในดีบางคนก็ไม่ก็หลบให้แต่ปัจจุบันก็ต้องพยายามหลบตัวเองเราจะไปโทษคนข้างนอกไม่ได้แต่แม้แต่เด็กวัดมันไม่ค่อยหลบไหพระเลยเด็ดเนี่ยพระก็ต้องคอยหลบใต้เท้าไปเรื่อยก็โลกมันก็เปลี่ยนนะฮะเราต้องปรับตัวอยู่ได้ในะท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะถ้าเราทําใจเริ่มใส่ ในพระสงฆ์ในหมู่สงฆ์นะยาคือการนาใจเรื่มเรื่ใส่จะต้องจะต้องใช้ปัญญาพิจารณาคือแยกให้ออกชาวพูดเราในพูดเก่ ง, งนะฮะพูดเก่งนั่นนั่นแต่ว่าเอาก็จริงแล้วเนี่ยเราเราไม่เข้าใจในเรื่องที่เราพูดคือตกลงปุถุทายไม่รู้พูดเรื่องอะไร ที่โบราณท่านเตือนท่านให้สติไหวพระพุธยายถูกอิฐถูกปูนไหวพระธรรมยายถูกใบลานไหวพระสงฆ์ยายถูกลูกชาวบ้านเวลานี้เรื่องพระพุทธนี่มันมันกลายเป็นสินค้าไปย่าน่าเสียด้ยวันก่อนอเชียงใหม่เขาเอาไปแต่งชุดชาตรีราตรีอะไรกันมาแต่งชุดสีฟ้าสีอะไรามาโฆษณาขายสินค้าชาวพุทธเรานะเมื่อคืนนี้ก็ได้ข่าวอะไรนิทัศกาลพระพุทธรูป ร้านค้านะะร้านค้าแถวซอยจิงชาแต่นั่นก็คงโทษเขาไม่ได้นะเพราะวัดกั น, นิทัศกาลก็เป็นการนําให้ดูแต่ว่าพอดูเนี่ยมันมีค่าเป็นศินละปะวัตถุเป็นเรื่องที่น่าจะได้ตอนที่มีฐานะแค่ศิละปะวัตถุเท่านั้นเองเม่มาเคยพูดกับกรมศิลปากรบอกคุณเอาพระพุทธรูปมาไว้เนี่ยมันมีค่าแค่โบราณวัตถุปฏิบากกรรมแล้วก็ศิละปะวัตถุเท่านั้นเอง คนเข้าไปพิพิธภัณฑ์ไม่ไหว้พระนะพระเหล่าเนี่ยเขาไม่ไหว้ไม่มีใครไปเดินไหว้พระพุทธรูปเพราะเขาดูในฐานะเป็นงานปฏิมา ก, กรรมแต่ถ้าพระพุทธรูปวางอยู่บนแท่นวางโต๊ะหมู่บูชาเขาไหว้ให้ลองดูเดนไม่มีใครไหว้พระพุทธรูปที่พิพิธภัณฑ์เด็กก็บอกเขาว่าว่าคุณอย่าไปยุ่งพระในวัดพระอยู่ในวัดนั้นดีแล้วคนได้ไหว้คุณมาไหว้ที่พิพิธภัณฑ์อย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่มีค่าในฐานะที่เป็นพระ ไม่ไม่มีค่าในฐานะที่เป็นระพุทธรูปย่าเวรเนี่ยมีมีมีเรื่องแปลกเอาทองคามาทำระพุทธรูปทำทำไมทองมันหมดสภาพทองทันทีเลยมาทำระพุทธรูปมันมีค่าเป็นระพุทธรูปมันไม่มีค่าเป็นทองแล้วถ้าแขวนพระทองคาก็แทนที่จะป้องกันอันตรายพระทองคามลยจะดึงอันตรายมาให้ ก็ตองลงไม่รู้จะทำทำอะไรได้แง่ทรัพยากรถวนรวมของชาติแล้วก็ถูกทำลายไปคือไม่ได้ใช้หมุนเวียนในในตลาดแล้วก็เป็นการดึงเอาอันตรายมาสู่ตัวเองแล้วก็ยากต่อการดูแลรักษานะครับแเป็นองค์ใหญ่ก็ติดคุกสร้างกันแล้วก็ใส่คุกเลยว่าถ้าขึ้นออกมาจากคุกเพื่อนก็จะไปล้อมละลาย พอถูกหลอมละลายข้าวมันไปนเพิ่มบาปกันคือไม่รู้จะทํำยังไงไม่รู้ทําทําไมมันก่อนเนีมีผู้ใหญ่ในทางราชการเนี่ยก็สร้างพระรูปทองคําหนักยี่สิบเจ็ดบาทเอามาถวายไว้ที่วัดปรวรในคําทวายนี่ยเขาถวายเป็นของส่งแล้วก็จะมาขอคือามาก็ไม่เคยรู้เรื่องอะไรก็อะไรแล้วก็ศึกษาขอ้อมูลแล้วก็ผู้ใหญ่ท่านเรียกมาให้ามาชี้แจงามาก็บอกว่า มันปัญหามันอยู่ที่คุณถวายสงฆ์มันไม่ใช่ของพระรูปใดรูปหนึ่งพระจะให้ไม่ได้พระจะให้ก็เอาของสงฆ์ไปให้ก็บาปนะกับปราบบาปเลยวิธีที่จะทําได้อย่างเดียวก็โยุ่มขโมยออกกันแล้วก่เนี่ยแต่ตํารวจจับไม่รับรองนะ <c oughs> คือว่าแล้วบอกว่าพระพุทธรูปในคุณเมธั่นไม่น่าจะทองคำังค์ยี่สิบ็ดบาทมาสร้างพระพุทธรูปพอเป็น พ, พุทธรูปก็คือพระพุทธรูปทําด้วยดินก็คือพระพุทธรูป ทำโดยไม้ก็คือพุทธรูปทำโดยอะไรก็คือพุทธรูปถ้ํานั้นเองมาเป็นปฏิภาเป็นสื่อที่จะดึงจิตเราเข้าหาพุทธคุณเราไม่ได้ติดอยู่ตรงนั้นถ้าไปติดตรงตรงนั้นก็ข้าวโบราณในท่านว่าเนี่ยไหว้พระพุทธูปก็ไปติดติดปูนละปฏิดิดปูนก็มองสวยไม่สวยแล้วพุทธรูปพวกนี้สวยไม่สวยมันยุ่งอะไรคุณ่สวยไม่สวยอะ่ะสวยไม่สวยไม่รูปทานามทำแล้วเราไม่ได้ติดที่สวยไม่สวย คือคนที่เข้าใจนับถือพระพุทธเจ้าจริงๆเขาไม่ได mm ้ต hmm. like ิดใจนะพระพุทธเจ้าเป็นลูกใครลูกพระเจ้าสุดโตทนะไม่สุดโตทะนะเป็นอะไรก็ได้ง่อยเปียเสียขาอย่างไงก็ได้อามาเองนะอามาคิดอย่างนั้นนะคนเดือนคิดอย่างไรมาไม่ไม่เคยสนใจประเด็นนี้เลยเพียงแต่เรารักษาประวัติศาสตร์ทนั้นเองนะแต่เราไม่ติดใจรูปร่างจะเป็นยังไงเพียงแต่ว่าเราพูดราอธิบายในแง่ประวัติศาสตร์ในแง่วิชาการแต่เราไม่ได้พูดว่าถ้าไม่เป็นอย่างนี้เราไม่เลื่อนใส่เราไม่ได้ติดใจตรงนั้น ระดิจใจที่ประคุณของพระองค์ทระนันเดกเราเริ่มใสที่พระคุณเพราะการมองพระสงฆ์ก็เหมือนกันอย่าไปมองที่ลูกชาวบ้านลูกชาวบ้านเราก็มองเกินจริงนะฮะมองคลาดเคลื่อนจากความจริงบางทีก็ไม่รู้ตัวเองแหละ ค, คือว่ากระดาษตัวเองเนะี่าเคยไปเจอนานมาแล้วรู้สึกจะเคยลากฝังการที่จังหวัดสุราษฎร์ที่จริงมันมันเจอหลายครั้งป่านนี้ แต่เราก็เกรงใจไปอยากพูดอบรมครูระดับผู้อำนวยการทางปัญหาถามพระเดี๋ยวนี้ไม่ไหวไม่ประพฤติไม่เรียบร้อยเทศก็วฟ mm ัง hmm. ไม่รู้เรื่องอ่านหนังสือก็ตะกกตะกัดทำไมไม่ฝึกปรืออบรมไม่เรียบร้อยเราก็มองๆถามว่าใครถามปัญหาเนี่ยไอ้พวกนี้เนี่เล่นขี้โกองอย่างนะถามปัญหาไม่เซ็นชื่อ ถามว่าใครเป็นคนถามไม่ยอมตอบบอกครูเคยคิดหรือเปล่าว่าพระนี่คือใครพระมันเป็นผิดผงในสังคมที่ไหลยอยู่ในระบบสังคมมันเกิดอยู่ในครอบครัวไทยข้าโรงเรียนอนุบาลไทยข้าโรงเรียนประถมไทยโรงเรียนมัธยมไทยอาชีวะไทยมหาวิทยาลัยไทยแล้วใครสอนเด็กให้อ่านหนังสือคุ้นนั่นแหละสอนให้อ่านหนังสือพระสอนให้อ่านหนังสือที่ไหนโลกพระมันเลยชั้นการสอนอ่านหนังสือได้ แล้วความมันเพใครสอนก็พ่อแม่โรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมมัธยก็สอนมาปัญหาที่คุณน่าจะถามมาคุณสอนเด็กอย่างไงตั้งยี่สิบปีอ่านหนังสือไม่ออกเอามาบวชตรงสามวันคุณจะให้อ่านหนังสือออกแล้วคุณเรียนมาเพื่อสอนก็โดยเฉพาะสอนเด็กอ่านหือไม่ได้งงนะพวกนั้นงงว่าลืมไปฮนะลืมไปว่าก็เด็กของตัวเองอะไรเอามาบวชอ่ะ เด็กสุราชมันก็คือคื อ, ค, อคือครูสุราชนะสอนพวกแกฟังเทศพระสุราชก็แสดงว่าพระสุราชก็คือเด็กนักเรียนจะรงเรียนที่สุราชแล้วเรียนสุราชก็พวกแกนายเป็นผู้อำนวยการสอนเด็กอย่างไงอ่านหนังสือไม่ออกเลยใช้วิธีนี้โดนกันหลายครั้งนะแล้วออกโทรทัศน์ทีเลยเงียบไปแล้วคำถามนี้หายไปแล้วคือมันไม่ดูว่าตัวเองนั่นแหละคือตัวรับผิดชอบแหละทําไมไม่ทําอ่ะ นี่คือมองพระสงฆ์ในฐานะแบ่งแยกมองในฐานะเป็นลูกชาวบ้านนะแต่เรามองที่พระคุณเราจะเห็นว่าเราพูดพระคุณเราไม่พูดตัวคนให้ลองสังเกตเราไม่พูดคนนะเราพูดคุณคุณน่ะเป็นภาพรวมๆว่าเป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นคุณลักษณะอย่างเงี้ยเกณฑ์มาตรฐานพระสงฆ์อย่างนี้สุปฏิปันโนชุปฏิปันโนยยัปติปันโนสามีจีปติปันโนอย่างเงี้ยถ้าท่านไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐา น, านก็ท่านก็ไม่ใช่พระสงฆ์ในตัวคุณ ใช่ไหมในตัวอุดมการณ์จริงๆนะเป็นบุคคลในอุดมการณอุดมการก็ต้องเป็นอย่างนี้เพราะงั้นการทําใจเรื่มใสต้องมองไปที่ความเป็นอุดมการไม่จะบองเรื่มใสพระมาเยอะมา mm hmm. เจอองคนะ์เลยเลิกนับถือพระแล้วอา้าวมันเรื่องอะไรอยูอ่เรื่องอะไรเราก็แสดงว่าเราก็ไม่มีหลักอะไรเราไม่รู้ว่าพระสงฆ์คืออะไรเลยทั้งไปหลังการทาใจเรื่มใสตรงนี้ต้องมีปัญญาพิจารณาเข้าใจแล้วก็ปลูกฝังศรัทธา ในตัวคุณนะฮะไม่ใช่ในตัวคนถ้าคนก็ต้องมีคุณถ้าไม่มีคุณเราก็ไม่ศรัทธามีเมตตาได้นะมีเมตตาได้มีการให้อภัย ไ, ได้มีอดทนได้แต่ศรัทธาก็ยังไม่ศรัทธาเพราะศรัทธาบรรยั่งไม่ได้นะแต่ทํามยังไม่ได้แต่เราก็เมตตาได้เรามีธรรมะข้ออื่นที่จะให้เกิดการอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขก็คือเมตตา มันก็เหมือนกับคนนะฮะเราจะเห็นว่าคนที่เราสัมผัสเนี่ยถ้าเขาอยู่สูงเราก็ <i> เ, รากเราก็เทิดไว้ได้วยมือ <i> เขาอยู่ตรงกลางมันก็ออกไปได้แขนเขาอยู่ข้างล่างมันก็เอื้อมนุงไปจักไว้เห็นไหมฮะแล้วขอมันก็วางอยู่สามจุดแต่นั่นเองวางอยู่สามจุดเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ข้างบนเราก็เทิดทูนถ้าอยู่ข้างล่างมันก็คือเมตตาคือความรากักความเอื้อเฟื้อความเมตต์เมตรีนะถ้าอยู่ข้าง อ, อ, อยู่ข้างล่างไปก็คือกรุณาก็ดึงขึ้นมาก็ทําอย่างนั้นนั่นนะ เราจะเห็นว่าการสัมผัสสิ่งนั้นหลายเนี่ยรอบรอบตัวเราเราก็สัมผัสอยู่สี่สามแนวแต่นั่นเองคืออยู่บนอยู่เสมอกัาะอยู่หลังอย่ามองมันมากนะมองมากมันมั่วมองรวมรวมแล้วก็จะเข้าใจตัวเนื้อหาในการปฏิบัติทีนี้ถ้าเราศรัทธาเลื่อมใสในพระสงค์มันจะทําให้อยากเป็นอนยะ่างที่ท่านเป็นใช่ไหมฮะเพราะจริงๆริงในแนวการปฏิบัติไม่ว่าอะไรใครก็ตามนะฮะแนวพูดที่จริงไม่ใช่พูดอะมันทั่วโลกกันานัะนะ คือปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเป็นธรรมปฏิบัติสมควรเนี่ยคือเนื้อหาของการปฏิบัติอุบาสกก็เป็นอย่างนั้นปฏิบัติดีอย่างไหนดีแม่ดีพ่อดีลูกดีเพื่อนดีขาราชการดีหัวหน้าดีลูกน้องดีเนี่ยปฏิบัติให้ดีตรงตรงในหน้าที่ของตัวเองตรงต่อผู้บังคับบัญชาตรงต่อระเบียบ ก, กฎเกณฑ์ต่างๆเห็นไหมมันก็ก็ก็คือโครงสร้างหลักสคำเท่านี้เองสี่คำตอนนี้เองมันเหมือนกับกิเลสฮะลักษณะกิเลส เราจะเห็นว่ากิเลสที่มันเกิดมันเกิดจากจิตกำหนัดขัดเคืองลุ่มหลงมัวเมาเท่านั้นเองเป็นการมันจะเกิดอะไรกันบ้างว่าแต่มันเกิดกําหนัดก็คือสายรูปะเกิดกัดเครืองก็สายโทสะเกิดลุ่มหลงก็โมหะเกิดมัวเมาก็คือขาดสติเกิดแล้วขาดมันเกิดเพราะขาดสติก็คือความประมาทนั่นคือพุทธญาณท่านจัดพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้ยมหาสานตอนนี้มากําลังบรรยาย หลักสูตรธรรมะนะฮะธรรมะนักธามฉันถทกเข้าเทปคือลูกศิษย์เขาอาราธนามาหลายปีก็ อ, อยากให้ช่วยพูดใส่เทปให้พอพูดไปแล้วก็นึกน่าทบนะก็วันนี้จะเสร็จเรื่องแรกสิบสี่ม้วนและต่อไปเนี่ยจะเอาหลักสูตรนักธมตรีเนี่ยเข้าในเทปหมดเลย แล้วก็ทำเป็นชุดเป็นชุดไว้แล้วก็ใครต้องการสนับสนุนคือช่วยค่าเทปก็เอาไปฟังคือถ้าเราแก้ตรงนี้ได้โดยเฉพาะเผยแผ่ในหมู่ครูได้นะเมะื่อวานก็เล่าพวกครูที่ไปอปรบรมมาฟังแล้วครูจะไม่ต้องกลัววิชาพระพุทธศาสนาแล้วเพราะวิชาพระพุทธศาสนาจริงมันมาจากนักธรรตีโทเอกแล้วมาจากตีกับโทนะส่วนใหญ่จะมาจากตีกับโทเอกมันมันสูงเกินไปก็ไม่เอ า, าสอนเด็กอ่ะ ย่ำโทรก็จสักครึ่งเล่นอนดังนั้นเองตอนนัวใหญ่จะอยู่ในฐาน้นตรีแล้วจะเจอาวิชาพุทธวัติจากพุทธวัตรข้าวเทปจากประวัติพุทธสาวกข้าวเทปกับบางเมื่อวานก็สั่งแต่สั่งเทปมากลองใหญ่ก็เวลาพูดไปพูดมาเนี่ยมันมันรู้สึกเป็นเป็นไปเข้าไปอยู่อีกโลกนะ่งแต่นั่งผู้คนเดียวก็เพียนดีกันนี่ยนะนั่งพูดอยูคนเดียวตีงสองสามชั่วโมง แต่ว่ามันมันก็เป็นสุขนะเป็นสุขก็สึกเราเข้าไปอยู่อีกโลกหนึ่งแล้วก็ปวดเมื่อยอะไรแต่มันหายไปมื่นหัวพอพูดเวลาพักมันโปรง่งโอ้มันมันก็มันก็ดีนะเป็นยาดิเลยตั้งใจจะทำํำจะทําให้สําเร็จเป็นชุดเป็นชุดแต่ว่าเอาสิบแปดม้วนตอนเนี้สิบแปดม้วน ท, ที่ที่เกิดนั่นนะเอากลับพาไปเมื่อวานก็ส่งไปที่โวพุทธให้ทุกศิษย์ก็ทําลองดูมาก่อนเป็นชุดชุดแต่ว่า ไม่แจกนะแจกไม่ไหวแจกไม่ไหวก็คงจะข อ, ขอทุนกลับมาทำต่อทีถ้าถ้าทุนไม่ต่อเราก็เก็บรักษามาเตอร์ตัวนี้ไว้แล้วก็อาจใช้ในโอกาสหนึ่งหรือว่าอาจจะออกวิทยุคือเป็นความฝ่ฝันมานานแล้วว่าทำยังไงเราจะเอาหลักสูตรในนักครจีตัวเอกซึ่งเป็นฐานใหญ่ของศีลธรรมจัญญาสมาเผยแพร่ออก ออกวิทยุออกโทรทัศน์สอนทางวิทยุสอนทางโทรทัศน์มุ่งไปที่พระเนรที่บวชแต่ว่าญาติโยมจะได้โดยสารฟังด้วยตอนลงว่าถ้าเชาบ้านเขาฟังเลยนะถ้าชาบ้านได้ฟังหลักสูตรนักธรรมโดยเฉพาะนักธรรมศีให้ได้เนี่ยโดยเฉพาะนักธรรมศีให้ได้เนี่ยเราแก้ปัญหาเลยได้เยอะเลยแต่ต้องต้องคนฟังนะฟังแล้วก็เชื่อศรัทธาปฏิบัติก็อาจจะก็ดูแล้วเนี่ย ใช้เวลาประมาณอันนี้ยก็สิบสิบสี่ชั่วโมงได้ชุดหนึ่งเล่มหนึ่งก็ประมาณตีจะว่าสิบห้าชั่วโมงต่อเล่มแต่ก็ไม่ถึ ง, งนะครัคงคงไม่ถึงเพราะว่าบางเล่มคงจะใช้ประมาณสักสิบม้วนบางเล่มก็อาจเล่มนี้มันมันโตหน่อยแต่หน่อยนอนก็ใช้เวลาสิบสิบสี่ม้วนแต่พอดีมไปอยู่ข้างหลังไปเจอกฎของกรรมกับปฏิจจสมบาทได้เรื่องใหญ่ไปเจอเรื่องใหญ่ข้าวก็เลยขยายมาก สมรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงองามไปบูรณาธรรมจึงมีได้ท่านสาชนทั้งหลายโดยทัว ก, กันทุกท่านถูอ